บุกทูยี่สิบแปดในโรงแรมการร้องเรียนฝักบัวใช้งานไม่ได้ดไม่มีน้ำอุ่น ายามราชเยาวคุณมาซ่อมมันได้ไหมครับรนในห้องไม่มีโทรศัพท์ในห้องไม่มีโทรทัศน์ในห้องไม่มีโทรทัศน์ห้องไม่มีระเบียงห้องไม่มรีระเบียง ห้องนี้เสียงดังเกินไปุห้องนี้เล็กเกินไปุมลห้องนี้มืดเกินไปตตเนเครื่องทำความร้อนไม่ทำงานจเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน к อ н д ดนเซอร์ไม่ประจุโทรทัศน์ไม่ทำงาน т е л е วิซอร์เนื้อสเปรผมไม่ชอบเลยมันแพงเกินไปคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมครับ ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมครับมีเบรคแอนด์เบรคฟาสใกล้ที่นี่ไหมครับมีร้านอาหารใกล้ที่นี่ไหมครับ